ภาวนานะค่อยซักฟอกทำความสะอาดใจด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเรื่อยๆไปนะใจค่อยเด่นดวงสะอาดหมดจดเป็นลำดับไปเรื่อยสุดท้ายมัหลือแต่ใจดวงเดียวเด่นดวงอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ต้องรักษาถึงจุด น, นี้นักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไปติดแล้วในตายอยู่ตรงนี้ ไม่เห็นว่าตัวจิตผู้รู้ตัวเนี้เป็นตัวทุกข์มองไม่ออกเห็นมันเป็นตัวดีตัวพิเศษถ้าปัญญาแก่รอบนะไม่ค่อยเป็นเองอย่าไปรีบร้อนให้มันเป็นตัวทุกข์ไปปล่อยวางตัวรู้ก็ไม่ได้นะถ้ารีบร้อนขึ้นมาจิตจะหยาบหยาบขึ้นมาอีกค่อยรู้สบายค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปเรื่อย ถึงวันที่มันพอนะมันเห็นตัวจิตผู้รู้นั่นแหละตัวทุกข์ไม่มีตัวไหนทุกข์เหมือนตัวจิตผู้รู้เลยถ้ามันเห็นอย่างนี้ได้มันจะปล่อยตัวผู้รู้ทิ้งไปคราว น, นี้จิตก็จะกระจายตัวเต็มโลกเลยกนะ็ฝึกเอาไม่ยากไม่เกินวิสัยที่คนธรรมดาจะทําได้คนขี้เกียจทําไม่ได้ขยันดูนะ อย่าไปนึกว่าธรรมะยากเกินไปไม่ยากธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะท่านเลือกสรรมาอย่างดีเลยให้พอเหมาะพอควรที่มนุษย์ปานกลางนะทำได้ไม่ต้องอัจฉริยะจีเนียสอะไรหรอกแต่ถ้าโง่ผิดปกติดื้อด้านผิดปกติก็ทําไม่ได้นั่นธรรมดาแต่คนกลางกลางขนาดกลางๆกลางนะทำได้ไม่ไม่เหลือมิสัย กับใจที่เราคอยซักฟอกตัวเองด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาวันหนึ่งความพ้นทุกข์มันก็ต้องมาถึงเราวพัฒนาศีนพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาวิธีที่ง่ายๆก็คือใช้สติเนี่ยคุ้มครองรักษาจิตไม่ใช่เรารักษาจิตนะพัฒนาสติขึ้นมาให้สติมันคอยทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิต ทุกคราวที่มีสติขึ้นมานะอากูศลดับเองอกูศลใหม่ไม่เกิดในขณะที่มีสติทุกคราวที่มีสตินักกูสนได้เกิดขึ้นแล้วแล้วจิตที่เคยมีสติมจะมีสติเร็วขึ้นเร็วขึ้นกูศนเจริญขึ้นให้เรามีสติคอยรู้ทันจิตตัวเองเรื่อยๆไปกิเลสเกิดขึ้นที่จิตกิเลสไม่ได้เกิดที่มือที่เท้าที่แขนที่ขาที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายกิเลสเกิดที่จิต มีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตถ้ารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตแล้วกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติพราคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำจิตฆ่าเขาได้เพราะโธสะครอบงำไปปล้นเขาไปขโมยเขาได้เพราะโลภะครอบงำเป็นชู้เขาได้เพราะโลภะครอบงำ โกหกตลบตะแรงได้มีทั้งโกหกด้วยโทสะก็มีมูสาด้วยเป็นโทสะก็มีเช่นไปด่าเขาเป็นโทส ะ, ะไปยุให้เขาแตกแยกกันอะไรเงี้ยบ่อนทำลายหรือพูดเพอเจอร์พูดเพอเจอจิตฟุ้งซ่านนะหรือพูดหลอกลวงเขานี่เพราะโลภะหนุนหลังอยูงั้นศีลข้อศีนี้แปลกอย่างนะ สิ่งข้อสี่เกิดจากโลภะก็ได้เกิดจากโทสะก็ได้เกิดจากโมหะก็ได้โมหะมันฟุ้งซ่านทำผิดสิ่งข้อสี่ได้ด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะได้หมดเลยไอ้หนุ่มๆไปหลอกสาวนะโอ้รักคุณเท่าฟ้ามัโกหกชัดๆมันรักตัวเองที่สุดอะบอกรักคุณที่สุดในโลกไม่มีหรอกสิ่งที่เรารักมากที่สุดในโลกก็คือตัวเราเองทุกคนอะถ้าสาวคนไหนได้ยินหนุ่มมาบอกว่ารัก ที่สุดในโลกนะบอกมันเลยหลวงพ่อประมวทบอกว่าโกหกไม่จริงหรอกรักตัวเองนั่นแหละทําไมมาโกหกเห็นไหมเพราะโลภะครอบงําไปหลอกสาวไปจีบสาวนั่นแหละนึกว่าไม่ได้โกหกความจริงโกหกหลวงพ่อเคยอ่านสุภาษิตประเทศอะไรจําไม่ได้แนละ้วคงไม่ใช่ออบิสซิเนียเลยนะบอกว่าเวลาคนมีความรักเนี่ยโกหกเก่งที่สุดเลยจริงไหมจริงไหมเอ่ย โอ้นี่บุญทวีว่าจริงแนละ้วงั้นถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดที่จิตนะกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นหลายคนรักษาศีนไม่ได้เลยศีลห้ารักษาไม่เคยได้เพราะไปรักษาที่ร่างกายไปรักษาที่ปากรักษาที่มือที่เท้ารักษายากเพราะปากมันไวมือเท้าบางคนก็ไวนะ ไม่ได้คิดจะตกเลยยุงมักัดตกโพะไปแล้วใช่ไหมรักษายากมือไว้ะรักษาศีลจะรักษาให้ง่ายรักษาที่จิตมีสติรู้ทันจิตไปเรื่อยนี่ก็มีสติคุ้มครองจิตมีสติรักษาจิตยุงมากกัดนะ่โกโรธจุงรู้ว่าโกโรธปุ๊บมือเคลื่อนไหวเนียบางคนก็เบรกทันบางคนไม่ทันไม่ทันจะรู้สึกละอายใจแม้ยุงมีความผิดข้อหารักทรัพย์เท่านั้นแหละ ใชประหารแล้วกฎหมายอะไรรุนแรงอย่างนั้นนะแค่รักทรัพย์ก็ประหารแล้วเราทรัพย์นี้ก็นิดเดียวนะไม่ได้เยอะอะไรนะถ้ารู้ทันจิตนะศีลมันจะมาสรุปง่ายๆนะถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตนะศีลจะเกิดขึ้นอัตโนมัติแล้วฝึกยังไงให้มีสมาธิจนะฝึกให้มีสมาธิอาศัยสติรู้ทันจิตนี่แหละ จิตที่ไม่มีสมาธิคือจิตที่ฟุ้งไปฟุ้งไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนี้เรียกว่ากามฉันทะฟุ้งไปเกลียดชังอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรนี่นะเรียกพยาบาทไม่พอใจขัดเคืองฟุ้งแบบสเปสปะจับอะไรไม่ถูกเลยเรียกว่าอุทัดจะฟุ้งมากๆเข้าำคาญเรียกกุกกุดจะ กุนะกุจจ ะ, จะเป็นโทสะแทรกเข้ามานะอุทัศ จ, จะเป็นตะกูลโมหนะโมหะเกิดมากๆแล้วลาคาญขึ้นมามีมกุกกุฏจะก็ะเป็นโทสะที่ก็ฟุ้งไปคิดมากสงสัยไปเรื่อยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเรื่อยนะสงสัยไปสารพัดคิดอยู่นั่นแหละจิตฟุ้งซ่านไปในความคิดนะคิดลังเลคิดสงสัยก็เรียกว่าวิจิกิจฉา จิตฟุ้งซ่านไปอ้อยส้อยอ้อยอิงนะไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่ยอมรู้สภาวะอะไรนะเป็นถีนมิทะทั้งหมดเนี่ยตัวนิวรณ์เนี่ยนะเป็นความฟุ้งของจิตทั้งนั้นเลยลฟุ้งคนละแบบถ้าเรามีสติมีปัญญารู้ทันลงไปนะมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุ้งซ่านจะดับจิตจะมีสมาธิขึ้นมาอัตโนมัตินะถ้าเราฝึกอย่างนี้นะมีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นที่จิตจะได้ศีล มีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านของจิตจะได้สมาธินี้พอจิตมีสมาธิจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตสงบจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมาเจริญปัญญาแค่นมีสติรู้ทันกิเลสนะที่เกิดที่จิตจะมีศีลจะรักษาที่จิตมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านของจิตจิตก็จะหายฟุ้งซ่านเพราะความฟุ้งซ่านทั้งหลายเป็นกิเลส ท, ทันทีที่มีสติรู้ทันกิเลสกิเลสจะดับโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปทําอะไรเลย แค่รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านนะจิตจะสงบเองสมาธิอัตโนมัติก็เกิดขึ้นพอเรามีศีลมีสมาธินะใจเราก็มาเดินปัญญาต่ออาศัยจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีจิตที่มีสมาธินะี่แหละมาดูกายมาดูใจนะไม่ใช่ทำจิตให้สงบนิ่งอยู่ที่จิตเฉยๆนะจิตสงบอยู่กับจิตแล้วบอกเดินปัญญาไม่เดินหรอก ถ้าไม่แยกธาตุแยกขันธ์ไม่พีกนากายพี่นาใจไม่แยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจนะไม่ใช่การเดินปัญญาที่แท้จริงนั่นเราต้องมาหัดเดินปัญญานะค่อยๆสังเกตไปร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตนะเริ่มต้นดูกายอย่างเรานั่งหายใจไปเรื่อนยะหายใจเล่นๆไปเราเห็นในร่างกายมันหายใจอยู่จิตเป็นคนไปรู้ว่าร่างกายหายใจนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนจิตเป็นคนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูมันดูคนอื่นนะเห็นร่างกายนี้เหมือนคนอื่นดูอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเรานั่งมากๆความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นมาสังเกตลงไปสบายรู้ได้ใจที่สบายใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพอความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นมารู้ลงไปที่ความปวดความเมื่อยมันจะเห็นเลย ร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยนะั้นเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาทีหลังเป็นคนละอันกับร่างกายและก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเพราะฉะนั้นความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตอีกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะนี่เราแยกขันไปเรื่อยๆนะนี่เราแยกได้3ขันแนละ้วแยกรูปคือตัวร่างกายแยกเวทนาคือความรู้สึกปวดเมื่อยจิตคือคนที่ไปรู้รู้กายรู้ความปวดความเมื่อยพราะมันปวดมากๆเข้าความทุรนทุรายเกิดที่ไหน เกิดที่จิตนะครอดูสิความปวดเกิดที่ขาความทุรนทุรายเกิดที่จิตมันรีบบอกใหญ่เปลี่ยนิริยาบทเธอะนั่งนานๆเดี๋ยวเป็นอมภะภาพหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นใครภาวนาเป็นอมภาพเลยนะมีแต่กินเหล้าหกล้มอะไรเงั้นเป็นอมภะภาพมีนั่งภาวนาแบบจะเป็นอมภะภาพจะตายไม่เคยเห็นอ่มีแต่มันหลอกว่าจะตายแต่ไม่ตายจริงงนั้นบางครั้งภาวนานะมีความทุกข์ท่วมท้นเลย ความทุกข์ท่วมกายความทุกข์ท่วมจิตนะเรามีจิตตั้งมั่นเป็นกลางร่วมไปตายก็ตายนะไม่ตายหรอกกิเลสเลยจะตายเราไม่ตายหรอกนะอยากให้กิเลสตายนะอย่า ก, กลัวทุกข์รู้ลงไปเลยรู้ด้วยใจที่ห้าวหาญนะเหมือนนักรบเข้าสมอรลรอภูมิห้าวหาญไม่กลัวถึจะสู้กิเลสได้หย่หย่แย่แยไม่ได้กินหรอกกิเลสเราไปกินหมดอนะ่ะหาดแยกไปเรอย นะแยกธาตุแยกขันไปเรื่อยกายอยู่ส่วนกายเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วนะปรุงไม่ดีปรุงไม่ชั่วนี่อยู่อีกส่วนหนึ่งนะเช่นพอปวดเมื่อยมากๆเข้าสังขารมันปรุงมาลุกเธอลุกเธ อ, เ, ธอเปลี่ยนอิริยาบถ ด, ดีกว่าหรือเกิดความกังวลใจขึ้นมากลัวจะเป็นอมาาัมพาตเนะีเกิดความกังวลใจเกิดความกลัวเป็นห่วงร่างกายขึ้นมานี่ความกลัวความห่วงอะไรนี่นะ ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่จิตด้วยนะนี่หัดแยกไปนะั้นจะได้สีขันแล้วขันที่5คือสัญญาขันสัญญาขันปล่อยไปก่อนอย่าเพิ่งไปยุง่งสัญญานี่เป็นตัวหลอกลวงนะภาวนาไปรู้รู้รทุกข์ให้มากนะวันหนึ่งสัญญาหลอกลวงไม่ได้สัญญามจะหลอกให้ปรุงนะสัญญามจะหลอกให้ปรุงตอนนี้ยังไม่ต้องเรียนยากยากเขาว่ า, าพวกเรา สัญญาที่พวกเร า, ามีอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าสัญญาวิปปัลาศไม่ใช่บ้านะสัญญาวิปปัลาศแต่คนไทยก็ใช้คําว่าวิปปัลาศนั่นแหละภาษาบาลีใช้วิปปัลาศสัญญาเพี้ยนเพียนพวกเราทั้งหลายมีสัญญาที่เพี้ยนเพี้ยนยังไงเพี้ยนที่เราไปหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงไปหมายรู้ทุกของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปหมายรู้ของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตน ไปหมายรูปของไม่สะอาดไม่สวยไม่งามว่าสะอาดหมดจดว่าสวยว่างามนี่สัญญาณวิปลาสสี่ชนิดเมื่เราจะรู้สึกอย่างเนี้นะมันจะมีอยู่เรื่อยๆบางทีความจริงมันแสดงออกมานะว่าไม่สวยไม่งามเราก็ต้องรีบกลบเกลือนตื่นเช้าขึ้นมาหน้าเหมือนเข้ามันไก่รีบไปล้างใช่หไหมเอาแป้งมาพอกๆเข้าโอ้ดูฉันสะอาดสะอา้านสะอาดอะไรเอาแว่นขยายไปสองหน้าสิจะเห็นแป้งเป็นเม็ดๆน่ะ น่าเกลียดออกนะไม่สะอาด จ, จริงไม่สวยจริงน <_ d Exchange> ในร่างกายนี้ร่างกายนี้นะพระริยาเจ้าท่านเห็นเหมือนถุงหนังนะเหมือนถุงหนังใบโตๆใบหนึ่งมีของโศโคลกอยู่ข้างในเป็นถุงที่มีรูรั่วมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโศโคลกไหลชุ่มออกมาเป็นนิดนเนี่ยไม่สวยไม่งามจริงหรอกแล้วก็ไม่เที่ยงด้วย อย่าเราสองกระจกเรารู้สึกหน้าตาเราเที่ยงไหมดูมาหนึ่งนาทีแล้วยังไม่เห็นเปลี่ยนเลยเรงไปดูรูปถ่ายเราจะรู้เราเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนจริงๆหรือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเราก็ไม่ยอมรับไม่ได้ว่าความสุขมันจะต้องเกิดแล้วดับเราอยากให้ความสุขอยู่นิรันดร์อยากให้มันอยู่นิรันดร์เนียอยากให้ของซึ่งมันไม่เที่ยงนะให้มันเที่ยง อยากได้ของซึ่งมันเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้นะอยากให้มันทนอยู่ได้นานๆอยากให้มันเป็นสุขอยากบังคับให้ได้อย่างใจต้องการเนี่ยเรียกวิปลาสนะพวกวิปลาสนี้จะหายไปนะถ้าเราคอยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปดูมันเรื่อยไปนะวันหนึ่งก็หายบ้าหายวิปลาสก็เห็นทุกวันนะของไม่สวยไม่งามของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของเป็นอนัตตาทั้งกายทั้งใจเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะพอเห็นมากเข้ามากเข้าก็าหายหายวิปลาส สัญญาพวกเราตอนนี้เอาไปใช้อะไรไม่ได้จริงสัญญาของเราเพี้ยนเราต่อไปนะสัญญามันเปลี่ยนเคยมองอะไรเห็นแต่สวยแต่งามแล้วมองปลาดก็เห็นแต่ไม่สวยไม่งามแลเคยหลงว่ามันเที่ยงก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเคยเห็นว่ามันเป็นสุขหลงว่าเป็นสุขแลจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์กระทั้งความสุขก็เป็นทุกข์น่าอัศจรรย์ไหมกระทั้งความสุขก็เป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้จริงหรอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุ มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่คือคำว่าอนัตตาอ น, นัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอ น, นัตตานั้นมีอยู่ถ้ามีเหตุนะมีอยู่ถ้ามีเหตุถ้าเหตุหมดไปมันก็หมดไปไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรนิรันดรนไม่มีนะ adows, นั้นเนี่ยคว่าอนัตตาไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะมีถ้ามีเหตุดับไปเมื่อเหตุดับไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับนะนี่คำว่าอนัตตา เฝ้ารู้เฝ้าเห็นลงไปนะในกายในใจนีแต่ละธาตุแต่ละขันแยกส่วนออกไปด้วยร่างกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปนะ็นอนัตตาจิตใจความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วนะหรือจิตที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีถะเกิดแล้วดับหมดเลยไม่มีอะไรที่คงทนตาวรเนีนะ่ยเฝ้ารู้เฝ้าเห็นมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งหายโง่หายบ้านะหายวิปลาสนะเกิดรู้ความจริง ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกขันห้ามีแต่ของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงมันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หมายถึงสิ่งทีง่มันไม่เที่ยงนั้นมันทนอยู่ไม่ได้คำว่าเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้นะสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนถาวระนะมีตัวตนขึ้นมาปรุงเป็นคลาวๆเท่านั้นเพราะไม่มีตัวตนถาวรนะเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นอย่างนี้นะ เข้าใจความจริงเข้าใจความจริงแล้วความทุกข์จะตกหายไปต่อหน้าต่อตาเลยร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายจะตายไม่ใช่เราตายอีกต่อไปร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายเรื่องของร่างกายความรู้สึกต่างๆจะเกิดขึ้นความรู้สึกสุขเกิดขึ้นความรู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นส่วนความรู้สึกทุกข์ไม่เกิดอีกแล้วจะไม่เกิดอีกแล้วถ้าภาวนาดีพอ จะเหลือแต่ความรู้สึก2ชนิดคือความรู้สึกสุขกับความรู้สึกอุเบกขาเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ความรู้สึกก็ไม่เที่ยงความรู้สึกสุขเกิดแล้วก็ดับไปความรู้สึกอุเบกขาเกิดแล้วก็ดับไปจิตก็เหมือนกันจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เป็นกลางๆเป็นวิบากไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลอะไรเกิดแล้วก็ดับไปส่วนจิตอกุศลไม่เกิดไม่มีนี่ค่อยฝึกไปสุดท้าย มันก็ยังเห็นอยู่ดีว่าขันไม่มีเจ้าของฝึกไปเรื่อย ก, ก็จะเห็นว่าขันไม่มีเจ้าของความทุกข์มีอยู่ขันมีอยู่ธาตุมีอยู่อายตนามีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของเพราะฉะนั้นธะาตุขันอายตนาจะแปลปรวนยังไงเราไม่ทุกข์ด้วยเพราะมันไม่ใช่ของเรานี่ฝึกมากเข้านะปัญญามันเกิดรู้ความจริงว่าขันธาตุอายตนาไม่ใช่ของเราเพะฉะนั้นขันธาตุอายตนาจะแปลปรวนยังไงก็ไม่เดือดร้อนนะค่อยฝึกไปเรื่อยยากไหม ไม่ยากหรอกง่ายฟังง่ายง่าหนะลวงพ่อแจกแจงธรรมะละเอียด น, นะอธิบายละเอียดยิบเลยนะพวกเราค่ายเด็กเล็กๆคนโบราณเลี้ยงเด็กมีกล้วยนะเอาช้อนมาขูดนะขุดคืนนหลวงพ่อเลี้ยงพวกเราเหมือนป้อนกล้วยให้เด็กกินเลยป้อนจนละเอียดขูดละเอียดรรเลยนะป้อนอ่ ำ, อำง่ำงนะมันยังไม่ค่อยจยอมอ้าปากเลยรู้สึกไหมหุบปากแน่นนลย กลัวธรรมะเข้าปาก mm hmm. งั้นเปิดใจนะเปิดใจออกมาฟังธรรมะด้วยใจที่เปิดกว้างบางคนมาฟังหลวงพอนะ่อแลมาฟังคอยจับปิดนะไม่ได้กินหออกธรรมะแต่ถ้าฟังด้วยใจที่เปิดนะซึมซับธรรมะไปเรื่อยไม่ต้องฟังที่หลวงพ่อเองอย่างได้เลยฟังซีดีก็ได้คนที่ฟังซีดีนั่นนับจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน สามารถแยกธาตุแยกขันเดินปัญญาดได้นับไม่ถ้วนเลยนะตอนนี้เยอะแยะไปหมดเลยพวกเราเหล่านี้แหละคือมเมล็ดพันมเมล็ดโพวันหนึ่งจะงอกขึ้นมาวันนึงจะ ง, งอกเป็นต้นโพต้นใสเป็นที่พึ่งของนกกาในรุ่นต่อไปแเราฝึกนะฝึกไปเรื่อยตรวจกันบ้านว่าไปากาฬนาฏกาหลทดลงกมาจากอเมริกากัน มาไกลนะนี่หมอคงศักมอจ น, นนิมนต์หลวงพ่อไปอเมริกาแล้วหลวลงพ่อจะไปหรือเปล่าคะโอ้ยังตอบไม่ถูกเลย แ, ลแต่ไม่มีใคร<ม>นิมนต์ได้ดูเดือดเท่าพวกปีนังนะนิมนต์ไปอยู่ที่ปีนัง อ, <laughs> อย่าอยู่อะไรเมืองไทย <laughs> <laughs> ขอโยมภาวนาไปนะไปจิตใจมีความสุข จิตใจเบิกบานรู้ไปความสุขก็ไม่เที่ยงนะดูอย่างนี้นะทุกอย่างไม่เที่ยงดูไปได้วยอ่ะในวิธีส่งกันบ้านของโยมจากเมริกานะยิ้มยิ้มลูกเดียวเลยใ <c oughs> นวิธีส่งกันบ้านนะจิตใจมีความสุขก็รู้เนาะรู้ไปอ่ะวันนี้รู้สึกไม่ค่อยมีสมาธิค่ะ <c oughs> จิตมันจะวนไปคิดวนไปคิดก็ <c oughs> ยังไม่ค่อยมีสิเป็นกลางกับมัน <c oughs> เวลาที่จิตไม่ดีนะอย่าอยากให้มันดีเวลาจิตไม่ดีแล้วอยากให้ดีเนะี่ยจะยิ่งดิ้นรนยิ่งดิ้นรนยิ่งตุกเพราะงั้นเวลาจิตไม่ดีนะรู้ด้วยความเป็นกลางไปเออแกไม่ดีไม่ว่าแกหรอกตรงที่เรารู้ด้วยความเป็นกลางเนี่ยตรงเนี้ยดีเะงั้นจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยมั เ, เห็นความจริงนะเห็นไตรลักษณ์ของจิตจิตไม่ดีมันว่ามันไม่ได้ยอมรับ จิตไม่เที่ยงพอยอมรับความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนะจิตจกลับมาดีได้ดีง่ายแต่ถ้าดิน้นรนไม่ยอมรับนะดิ้นอยากให้ดีตลอดดิ้นใหญ่เลยยิ่งแย่ยิ่งแย่นานหลวงพ่อเคยเป็นตอนนั้นมีภาวนายอยู่ช่วงนะจิตมันเด่นดวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะเป็นฆราวาสนะขนาดเป็นโยมอยู่ภาวนานะจิตสว่างทั้งวันทั้งคืนอยู่ไม่ไม่มีอะไรเข้ามาแต่แตงแต้มมันนะ พอใจมากเลยกับจิตชนิดนี้นี่ได้ข่าวว่าหลวงปู่สุวัตกลับมาจากอเมริกาทนะ่านไ่อยู่ทถงปากเกรด็ดว่าชวนแม่ชีตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะไม่ใช่พระชวนชีไปกับสองคนนะห <c oughs> ลวงพ่าก็ยังไม่ได้บวชแม่ชีก็ยังไม่ได้บวชขับรถไประหว่างขับรถไปหาหลวงปู่สุวัตเนี่ยจิตที่แหม้มันเด่นดวงประพัดสอนนะมันถูกกิเลสย้อม ตายระวาเราจะเอาจิตที่ดีไปอวดครูบาอาจารย์สัหน่อยเผื <c oughs> ่อท่านจะชมนะจิตแย่ซะและ้วดิ้นคุกขักคุกขักนะดูยังไงๆนะๆนะมันก็ไม่หลุดออกมากิเลสมันมาย้อมได้ตายระหวา่าจะไปส่งกันบ้านนะเอาจิตที่ดีที่สุดที่เคยทําได้นไปให้ท่านดูเผื่อท่านจะต่อยอดให้นะหายไปซะและ้วพอเข้าไปใกล้ๆปักเล็ดแล้วนะทําไม่ได้ช่างมันเถอะ เอาจิตขี้เถินนี่แหละไปให้ท่านดูพ <c oughs> อยอมนะใจมันรู้จีนเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้ช่างมันเถอะพอช่างมันเถิน้ําดีดผาออกมาใหม่นะดีขึ้นมาเลยนี่พอไปเจอหลวงปู่สุวัตนะท่านเป็นอำมาตย์เขเข็นรถออกมาจากห้องห้องพักพระช่วยกันเข็นออกมาแลถึงก็โอ้ท่านฟองใสจังเลยเราอนี้มอมแแมมกว่าท่านเยอะเมื่อไหรจะดีอย่างท่านเนาะใจก็น ท่านก็ไม่ว่าอะไรนะท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วท่านก็เริ่มเทศจิตนี้เป็นอนัตตามองหน้าเรานะจิตเป็นอนัตตานะมันดีๆอยู่เดี๋ยวมันก็หมองได้แต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะมันก็กลับมาดีเลยนะเ น, นี่ท่านพูดอย่างนี้นะเราโอครับครับเข้าใจเข <laughs> ้าใจนี่ครูบาอาจารย์นะโอ้เราไม่ต้องอ้าปากถามเลยนะท่านยิ้มไปยิ้มมาท่านบอกเลย เพราะงันจิตบางช่วงจิตตกใชรู้สึกจิตตกจิตเสื่อมมีไหมรู้สึกมันไม่ได้ดังใจนั่นมันไม่ได้อย่างใจมันโลภนั่นแหละเระฉั้นรู้ทันนะรู้ทันไปรู้อย่างที่เขาเป็นรู้ด้วยความเป็นกลางจริงๆคําว่าจิตเสื่อมไม่มีจิตเจริญก็ไม่มีจิตทุกดวงเกิดแล้วดับเกิดยังไงก็ดับอย่างนั้นเลยเช่นจิตอากุศลจิตเป็นโทสะเกิดแล้วจิตที่เป็นโทสะก็ดับ ไม่มีจิตเจริญไม่มีจิต เ, เสื่อมจิต ท, ที่เป็น gen, กุศลเกิดแล้วก็ดับไม่มีเจริญไม่มีเสื่อมเจริญและเสื่อมเนี่ยเกิดจากการเปรียบเทียบของเราเองนะเราเปรียบเทียบจิตหลายๆดวงจิตเมื่อก่อนกับจิตเดี๋ยวนี้เกิดจากการชิดเปรียบเทียบเอาเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงจิตไม่มีคําว่าเจริญหรือเสื่อมเลยจิตมีแต่คําว่าเกิดแล้วก็ดับนะถ้าเราเข้าใจความจริงตัวนี้นะช่วงนี้อกุศลเกิดบ่อยก็แค่นั้นเอง อากูสนเกิดมาร้อยดวงอากูสนก็ต้องดับต้งร้อยดวงนะไม่มีเหลือหรอกเท่ากันเนะี่ยฝึกไปเรื่อยนะจนใจเท่ากันเหมือนหลวงพ่อองค์นี้ใจท่านเท่ากันนะฝึกไปเรื่อยๆช่วงนี้รู้สึกว่าดูแล้วมันไม่เข้ามาที่จิตนะคะหลวงพ่อ <c oughs> แล้วรู้สึกว่าดูกายจะดีกว่าดูกายไป <c oughs> ที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆดูจิตไม่ได้ดูกาย <c oughs> ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้พุโทโธไปทําความสงบไป <c oughs> พอจิตสงบจิตมีเรี่ยวมีแรงไม่กลับมาดูจิตได้น ะ, ะคุณหมอมันฟุ้งครับเหมือนเราเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกว่าเวลาเราดูเราลงไปเล่นฟุตบอลเราไม่ได้เราไม่เป็นนักดูนะฟุ้แล้วขูๆๆๆๆ่ขะขู่ขะขตลอดแต่เป็นนักดูก็ต้องดูแบบเป็นกลางๆดูแบบไม่สนุกอะ่ะแต่ถ้าดูแบบเราไปแทงบอลมานะไม่เป็นกลางถึงยิ่เป็นคนดูก็จริงนะแต่ไม่เป็นกลาง ต้องดูแบบไม่มีส่วนได้เสียแต่เรามีส่วนได้เสียเราอยากให้มันดีไหมเพราเรารักมันคล้ายๆเราเชียร์ทีมเนี้ยเรดูไม่เป็นกลางคุณหมอดูตรงนี้แหละไม่เป็นกลางแต่คุณหมอรู้สึกไหมว่ามันเป็นกลางมากขึ้นมันก็พยายามจะคือมันก็คล้ายๆกับทํานองว่ามันมีส่วนว่าช่างมันเทออะไรอย่างเงี้ย <คง S 1> บ้างหามือันช่างบเถอนั่นแหละดีละถ้ารู้จักคําว่าช่างมันเทอะล้ใช้ได้ คือภาวนาเนี่ยนะจะให้มันหยุดดิ้นรนเนี่ยไม่หยุดหรอกเพราะเราโดยพื้นฐานเรารักตัวเองมันต้องดิ้นอ่ะอยากพ้นทุกข์อ่ะที่ภาวนาแทบเป็นแทบตายก็เพราะอยากพ้นทุกข์เห็นไหมย่าไม่ให้มันมันดิ้นไปไม่ได้แต่มันต้องดิ้นจนมันหมดแรงดิ้นนะจนที่มันหมดแรงดิ้นแล้ช่างมันเถอะต้องช่างมันเถอะเนี่ยจะได้ของดีแต่ต้องดิ้นก่อนนะแล้วค่อยช่างมันเถอะทีหลังอย่าเริ่มตอนเดินช่างมันเถอะนะ เนี่ยฟังหลวงพ่อพูดแล้วช่างมันเถอะนอนดีกว่าช่างมันเถอะไปเที่ยวดีกว่านะไม่เป็นหรอกตรงนี้ก็เหมือนกับว่าจริงๆริงมันมันมันพยายามจะทําของมันไปเรื่อยๆใช่มันคือเราก็บอกคือช่างมันเถอะนี่คือผมสั่งบอกมันถ้าช่างมันเถอะแต่มันก็จะทำไปเรื่อยๆใช่มันไม่เชื่อหมอหรอกมันไม่ใช่คนไข้ของหมอนะอ่ะต่อไป หลังจากที่ได้เข้ามาอยู่วัดทั้งวันนะคะก็จะพยายามเดินปฏิบัติทั้งวันก็คือทางห่วงนอนก็ออกมาแล้วก็รู้สึกว่ามันยากยากมากๆค่ะมันอยู่กับตัวเองทั้งวันนะคะไม่รู้จะทําอะไรแต่ก็พยายามสู้ตายอะคะ่ะโ อ, อ้ใช่างนั้นเลยจนถึงกลางคืนก็คิดว่าไม่ได้อะไรเลยะคะ่ะ อ, อืก็คิดว่าไม่น่าจะมีการบ้านส่งแต่ว่าพอเช้านี้หลังจากที่รอที่บ้านมานะคะ่ะแล้วกออ็ระหว่างที่เพื่อนเขากําลังตักข้าวอยู่อะคะ่ะก็จะรีบวิ่งเข้าไปช่วยอะคะ่ะ ก็คือระหว่างที่วิ่งไปเนี่ยจะเห็นเห็นภาพที่เราวิ่งเห็นความเล็งโลดที่เราไม่ได้รู้สึกอะค่ะเห็นตรงนั้นขึ้นมาค่ะไม่แน่ใจว่าตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะเห็นใช่ไหมไม่ได้เจตนาเห็นขึ้นมาเองเออมันเห็นขึ้นมาเองแต่ถามว่ามันเป็นเองไหมไม่เป็นอ่ะมันก็เป็นผลจากการที่เราฝึกมานั่นแหละผลจากความพยายามของเรานั่นแหละแต่เราพยายามยังไงไงก็ไม่ได้เพราะว่าความพยายามของเรายังเจือด้วยความโลภอยู่เราพยายามมาทั้งคืนเนี่ยนะด้วยความอยากได้ผล พอมันสิ้นหวังแล้วไหมไม่ได้เจตน า, ตนาไม่คิดอะไรเลยมันขึ้นมาเองอะเราเห็นนะเห็นว่าเรากำลังลิงโลดเลยอเออนั่นแหละมันจะเป็นเองอ่ะแต่มันเป็นเองไม่ได้มันต้องฝึกมาก่อนนะเพราะฉั้นอย่าเพิ่งช่างมันเถอะน ะ, ะต้องภาค<ห>เปลี่ยนก่อนถ้าเปลี่ยนจนสุดฤิธิสดเดชกันสุดลทธิสดเดชแล้วมันปล่อยองมันช่างมันเถอะนะเอาต่อไปใครจะคุยกับหลวงพ่อใครที่เห็นว่าจําเป็น แล้วก็สามเดือนแล้วไม่ได้คุยอย่างน้อยสามเดือนถ้าคุยทุกอาทิตย์ไม่เอานะเอาไปส่งไปร้อยแปดสิบสองก่อนอยู่ใกล้ที่สุดนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้ะค่ะมเมื่อหกเดือนก่อนหลวงพ่อเมตตาชี้ภาวรโยมไม่ยอมไม่ตั้งมัน่นตื่นเต้นจ้าค่ะแล้วยอมก็ไปฝึกให้ใหตั้งมัน่นโดยการมีวิหารธรรมแล้วก็รู้ว่าเผลอไปคิด อแล้วสิ่งที่โยมจะส่งกันบ้านเคยโยมเห็นว่าร่างกายมันหายใจเองมันมันไม่ใช่เราจ่ะจะใช่ถูกแล้วโยมแล้วโยมมาเห็นไหมโลกมันห่างออกไปแล้วเจ้าค่ะนั่นแหละฝึกนะแล้วโยมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่โยมเห็นมันโยมคิดไปเองหรือว่าจริงจเองหรอกถ้าคิดไปเองจิตมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเจ้าค่ะโลกมันเดห่างออกไปนะคาว่าโลกุตตะละเคยได้ยินไหมโลกุตตะละโลกุตตละ เรากุฎาราบว่าเหนือโลกโลกก็อยู่ส่วนโลกนะโลกก็อยู่ส่วนโลกจิตมันไม่คล่องกับโลกเหลือจิตที่ยังเป็นโยมเจ้าค่ะหลวงพ่อ ย, ยมอยากมาขอการบ้านเพิ่มก็ดูไปเรื่อยสิจิตที่เป็นโยมเขาคิดเอาเจ้าค่ะเขารู้สึกตัวไปเรื่อยพอจิตหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วตัวเราจะไม่มีถ้าจิตไปหลงอยู่ในโลกของความคิดก็มีตั ว, ม, ตวมีตนขึ้นมานะหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมขอนอกเรื่องสองนาทีได้ไหมเจ้าค่ะนานไปให้หนึ่งนาที ย ง, ยงไปเจอลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนท่านนึงอะเจ้าค่ะท่านฝากมาบอกว่าเมื่อสามสิบปีก่อนท่านไปบอกลาหลวงปูด่ดลนว่าจะมาอยู่ชนบุรีเจ้าค่ะแล้วหลวงปูด่ดลนสั่งว่าต่อไปจะมีลูกศิษย์ไปเผยแพร่คําสอนให้แวะมาเยี่ยมเยียนบ้างเจ้าค่ะอมแล้วท่านก็ได้แวะมาเยี่ยมเยียนแต่ว่าวัดปิดเจ้าค่ะแล้วโอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีปิดนะเจ้าค่ะท่านเห็นประตูปิดวัดไม่ได้ปิดหรอกเจ้าค่ะโยงก็ชี้แจงไปแล้วเดี๋ยวมีโอกาสได้นะ เกัน ไ, ได้ขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงอาจารย์น่ารู้ล่วงหน้านานมากๆเลยมีอะไรอัศจรรย์มหาศาลนลท่านบอกอะไรไว้ล่วงหน้าไว้เยอะแ ย, ย, ยะเลยท่านบอกหลวงพ่อไว้อย่างนะว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองตอนที่ฟังท่านนะเข้านี้ออกนี้เลยในใจคิดจะรุ่งเรืองเรือหลวงปู่ไปไหนนะมีแต่คนดูถูกการดูจิต ไม่มีใครดูจิตเลยไปไหนมีแต่ดูกายสำนักทั้งหลายมีแต่ดูกายนะยกเว้นโกเอนก้าดูดูเวทนาตอนนั้นดูกายทั้งนั้นเลยแล้วมันจะรุ่งเรืองได้ไงอยู่มาอยู่มาเอิมรุ่งเรืองจริงนะไปสะทั่วโลกเลยตอนเนี้ยเอาเบอร์สกราบนวัชการหลวงพ่อครับครับก็ตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดนิดครับฮะมีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดนิดครับกลัวกังวลนิดนิดครับ กลัวทำไมหลวงพ่อไม่เคยกัดใครคือผมจะข่าวก่อนครับที่ส่งการบ้านไปหลวงพ่อบอกว่าตั้งตั้งจิตไว้แรงไปแล้วก็แช่ไว้ครับตอนนี้ผมก็ไปไปหัดดูออกหหไหมไม่เหมือนเดิมดูออกครับรู้สึกไหมพอเราไม่ได้ไปกดเอาไว้นะทุกอย่างเริ่มเคลื่อนไหวเห็นไหมมันเกิดดับให้ดูได้ครับถ้าไปแช่อยู่นะไม่มีเกิดดับหรอก แล้วนจะนิ่งๆครับดีอย่างนี้แหละถึงจะเดินปัญญาได้ครับแล้วขอการบ้านเพิ่มเติมไปเดินปัญญาต่อแต่ว่าถึงเวลาก็ทำความสงบนะครับสมาธิไม่ทิ้งนะครับเบอร์เก้าเบอร์เก้านาสการค่ะหลวงพ่ออยู่ไหนอยู่ไหนรู้สึกว่ามันย่ำอยู่กับที่อะค่ะเอาอะไร คือถ้าถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาก็เหมือนกับพยายามรู้สึกตัวเหมือนกดเอาไว้แต่ว่าถ้าไม่งั้นก็คือลืมกายลืมใจไปเลยอะค่ะกดเอาไว้ก่อนดีกว่าลืมจงใจไว้ก่อนนะเบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อนเราก็หลวงพ่อคะคือสังเกตเปล่าใจเรากับเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเหมือนกันไหมก็เห็นความแตกต่างบ้างไหมก็รู้ว่ารู้ว่าร้ายเออนั่นแหละตัวจริงน อเจ็ดสบสี่ขอบคุณค่ะกราบ น, นมรส ก, การหลวงพ่อใช่ไห่ะส่งกันบ้านล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ค่ะหลวงพ่อให้เป็นทําความสงบ น, นะคะแต่ว่าเพิ่งมาทํตอนเดือนกันยานะคะ่ะทำไมทําช้าจัง <laughs> อย่างเหมือนกับว่าทําวิปัสสนายอย่างอื่นแต่ไม่ได้นั่งสมาธิอะคะ่ะแต่พอมานั่งเนี่ยก็ตอนที่นั่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกชอบอะคะ่ะพอนั่งแล้ว สับสนว่าจะนั่งแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาฟังพอนั่งไปแล้วแล้วมาฟังแผ่นของหลวงพ่อก็ก็รู้ว่ามีสองแบบก็เข้าใจขึ้นนะคะแล้วก็มีวันหนึ่งอะคะ่ะจิตมันกังวลนะคะก็เลยวันนั้นรู้สึกว่ า, น, าน่าจะเห็นว่าแยกเป็นส่วนได้ะคะ่ะ อะไรนะแยกแยกส่วนนะคะออว่าจิตกังวลแล้วก็ติดที่ไปรู้แล้วก็กายนะคะแต่ไม่ได้เห็นทุกครั้งนะคะไม่จําเป็นนะค่ะนี่เีางน้อยได้ลิ้มรสชาติแล้วว่าแยกได้อย่าอยากแยกถ้าอยากแล้วไม่แยกหรอกแล้วก็มีมีความฝันถ้าฝันร้ายหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะตามรู้ได้ค่ะอแล้วก็มีทั้งยินดีแล้วก็ยินร้ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของกิเลส พอมีกิเลสเกิดขึ้นมาโทสะก็จะเกิดบางครั้งเนี่ยพอรู้รู้ทันตามแล้วบางครั้งก็เข้าไปคุกอยู่อะคะ่ะแล้วก็รู้ว่าตัวเองร้ายอะคะ่ะดีแล้วก็ช่วงนี้โทสะบางลงอืประมาณนี้คะ่ะโทสะมันก็เหมือนไฟไหม้นะถ้าสติเราเร็วรู้เร็วนะไฟก็หายไปับถ้าโทสะมันเยอะแล้วดูก็ยากหน่อย <laughs> ก็ความรู้ความเข้าใจอย่างที่หลวงพ่อบอกค่ะคือเราจะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ดีเห็นไหมตัวเราไม่มีไม่มีค่ะดูไป เ, เรื่อยนะเข้ใจมันยังไม่ยอมข้เอเบอร์แปดตามน้วัตการหลวงพ่อครับเบมื่อสี่เดือนที่แล้วได้มาหาหลวงพ่อครับผมหลวงพ่อบอกให้ไปทําให้มันสบายขึ้นอ um hmm. ครับต้องกลับไปทําให้สบายขึ้นแล้วก็ปล่อยจิตไปแล้วก็ตามดูตามรูไปเรื่อยๆครับ ก็รู้สึกว่ามันมีอาการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงยังไงครับผมอมวันนี้ก็เลยเอากันบ้านมาส่งหลวงพอ่อแล้วก็ขอกันบ้านเพิ่มครับไม่ทําอีกสิทําถูกแล้วสังเกตไหมเราใจมันจะคลายออกนะครับใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นบางทีมีความสุขผุดขึ้นมาแผ่วๆนะไหมเป็นเองแนหะแต่เราไม่ได้เอาตรงนี้หรอกเพียงแต่ว่าพอมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วคุณรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไปครับรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่อันเดียวกับจิต บางครั้งรู้สึกว่าเหมือนไม่มีกายอยู่ออไม่มีกา ย, ยานั่นเป็นสมาธินะครับผมแต่ว่าบางทีจิตรวมเข้ามาแล้วก็ยังแยกข้างในได้อีกนะอย่าความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยไม่ใช่จิตกุศลอกุศลก็ไม่ใช่จิตมันแยกนํามาทําต่อไปได้อีกครับไปทําต่อสิ ด, ดีนะแปลว่าน่าจะถึงขั้นเดินปัญญาได้แล้วใช่ไหมครับได้พระจิตมันถอนตัวแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วเนี่ยมันเดินปัญญาได้แล้ว ครับมันไม่เข้าไปคลุกนึกออกไหมไม่เข้าไปแช่จมนิ่งนิ่งอยู่ท่านไปจมนิ่งอยู่ไม่เดินปัญญาครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับกับหลวงพ่อนะครับคือคำถามจะถามว่าอย่างของผมเนี่ยครับไม่ทราบถ้าเกิดจะไปดูการเกิดดับทางอายตนะ6จะได้ไหมครับหลวงพ่อดูที่ใจนะครับดูที่ใจดูที่ใจดีกว่าใช่ไหมครับหลวงพ่อเพราะว่าถ้าเราไปดูที่อายตนะเนี่ยจิตต้องเคลื่อนไปดู จิตไม่ตั้งมั่นจริงอ่ะผมรู้สึกว่าจิตคือปัญหาของผมอีกอย่างคือจิตจะไม่ค่อยตั้งมั่นนะถ้ายิ่งไปยุ่งทางอายตนะยิ่งไปใหญ่เลยก็คืออยู่ที่จิตอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าใช้อายตนะทางานเช่นตามองเห็นสาวจิตเกิดราคะรู้ว่ามีราคะ เห็นหมาบ้าวิ่งมาจิตกลัวรู้ว่ากลัวอ๋อครับแต่ถ้าเกิดมันไปดูเองก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับอย่าจงใจไปอยู่ที่ตาอย่าจงใจไปอยู่ที่หูนะครับมันจะกลายเป็นเพ่งตาเพ่งหูแล้วรู้สึกไม่มีกิเลสเพราะจริงๆกิเลสไม่ได้อยู่ที่ตาที่หูครับแล้วสมาธิต้องทำเพิ่มไหมครับทำแต่อย่าให้ซึมนะครับอย่าให้ซึมอย่านั่งสมาธิประเภทนั่งเราซึมซมไปครับคือเราพวกเราไปติด ไปเข้าใจผิดอย่างหนึ่งนะว่าความสงบกับความซึมเนี่ยเป็นอ e ันเดียวกันพอเราเริ่มนั่งสมาธินะเราน้อมใจให้ซึมซมไว้เราคิดว่าอย่างนี้สงบไม่ใช่หรอกสงบน้มันต้องสงบด้วยร่าเริงด้วยนะอ๋อขอบพระคุณครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนอนแสดงว่าเกือบหมดละไปท้ายห้องละเดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านแปลกนะอยู่บ้านนะตรีตลานตีห้ารีบมา มาอยู่วัดเก้าโมกว่าอยากกลับบ้านแล้วเอาไงวะวัตการหลวงพ่อครับเอาว่าไงคือผมไปนั่งดูสุกสภาวะที่เกิดมันขันห้ามันทํางานด้วยกันอย่างเดียวใช่ไหมครับหลวงพ่อเป็นยังไงขันหน้าทํางานด้วยกันอย่างเดียวคือคือมันทํางานร่วมกันนะครับเวลาที่มีทํางานร่วมกันนะแต่มันไม่ก้าวไก่กันหรอกครับต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของตัว ใช่ครับของใครของมันใช่ไหมครับแต่ละทีละขณะใช่ไหมครับอะไรนะทําทําทํางานหน้าที่ใครหน้าที่มันใช่ไหมครับใช่เพราะว่าสมมติว่ามีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะทําอัตโนมัติแต่ของใครของมันใช่ไหมครับใช่ทีละขณะเออทีนี้ที่ที่มีปัญหาหรือว่ามีกิเลสก็คือจะมีตัวเราแล้วก็ไปติดใจในรูปเรี่ยงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่อย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับถูก ทีนี้ผมบอมาคือเมื่อก่อนผมจะทำสมาธิอยู่บ้างจเจริญปัญญาอยู่บ้างคืออย่างนี้ครับหลวงพ่ฮะพูดว่าเลยนะฟังมไม่ออกอะผมจะอยู่กับลมหายใจบ้างแล้วก็ไปเขาทางานบ้างอย่างเงี้ยเออ<พ>ออามาถ<ห>ึงช่วงหนึ่งที่พอเรารู้ว่าเขาทํางานทีละขนาดนี่ผมก็ไม่ค่อยได้ทํำสมาธิเท่าไหร่ทําสิไม่ทำแล้วฟุง้งใช่ครับมันมันมันก็จะมีมีบ้างทีนี้ผมก็จะทําแบบน้อยลงถูกต้องไหมครับหลวงพ่ได้ไหมรับม่ถูกหกสมาธิทำได้ก็ทําไว้นะ คือถูกบอกจะทางานด้วยบางทีอย่างอหลวงพ่อบอกว่าถ้าทําทางความคิดเนี่ยสัญญาม่จะทํางานเราจะไปทําร่วมไม่ได้อืมเราก็จะทําสมาถะไม่ได้ฟุ้งแล้วใช่ไหมครับอย่าให้ใจมันฟุ้งไปครับผมก็จะแต่ถ้าทํางานทางร่างกายเหมือนที่หลวงพ่อบอกผมก็จะสวดอย่างนี้บ้างรู้สึกนะรู้สึกไปครับอย่าให้ปัญญาลําหน้านะ ตรงตรงนี้แหละครับที่ผมกลัวเพราะว่าไอตัวปัญญามนําหน้ามันจะพงซ่านใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะพงผมก็ได้พยายามดึงดึงแล้พยายามให้มันเป็นกลางที่สุดอให้รู้ทันให้รู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านในธรรมะสังเกตไหมมันฟุ้งซ่านในธรรมะมันอยากเรียกใครต่อใครมาฟังเราเทศะคือคือคือนี่แหละครับที่ข้างนอกผมยังไม่คุยกับใครนอกแต่คุยกับหลวงพ่อเนี่ยแหละครับจริงๆนะครับเพราะว่าคุยแล้วเขาเขาจะไม่ไม่รู้สับไออย่างเนี้ยนั่นแหละเขากลุ่มใจครับ หลวงพ่อฟังไม่คุ้มใจไม่เป็นไรถูกต้องยังไม่กล้าหลวงพอ่อใช่อย่าไปยุ่งกับคนอื่นนะครับผมได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวจิตเราฟุงา้งซ่านครับเอาไปเบอร์สามก่อนไปเบอร์สามอยู่หลังห้องเลยนมศาสตรการพระอาจารย์ครับก็ช่วงที่ผ่านมารู้สึกกิเลสเยอะครับผมก็ไม่ค่อยชอบมันครับอืแต่บางทีก็ก็หลงตามมันไปครับ มีวินัยไว้เท่านั้ทำสม่ำเสมออยู่กับโลกไม่ชนะกิเลสอย่างเดียวบางทีกิเลสก็ชนะเราบ้างเป็นครั้งคราวอย่าให้เป็นชนะตลอดก็พอแล้วสู้เอาสีเนาะอดทนเอารู้หลักก็รู้หลักแล้วก็ภาวนาเอานะโลกมันก็ห่างออกไปห่างออกไปนะใจก็เป็นกลางไว้ ใจเป็นกลางใจก็ไม่ดิน้นใจไม่ดิน้นใจก็ไม่ทุกข์นะครายฝึกไปแล้วดีแล้วละเบอร์เจ็ดสิบห้ามากลับน้ำมันสการหลวงพ่อค่ะจะเรียนสอบถามว่ามีอะไรยังติดอยู่ไหมคะติดไหมติดอะไรบ้างล่ะเล่ามาซิที่ผ่านมาก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำจากฟังซีดีคือดูจิต ช่วงช่วงแรกเนี่ยจะเป็นคนที่ฟุง้งซ่านคิดมากเข้าไปคุกกับจิตแล้วก็ไปปรุงแต่งพอ <Okay. S 2> ช่วงหลังก็เห็นเห็นในหนึ่งนานะทีจะรู้เลยว่าจิตมันทํางานตัวเองตลอดเวลาโอเก็งค์คือมันทําไปเรื่อยๆจนช่วงนี้ทํารื่อไป ล, ลาคาญมันนะะำให้ลาคาญเขาก็แบบช่วงแรกๆจะถามว่าว่ามันฟุ้งมากๆเคยถามตัวเองว่าแล้วไงมันเหมือนเราแบ่งเป็นสองล่างอะคะ่ะเป็นสองคนที่คุยกับตัวเองอแต่ช่วงหลังก็ มันพาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วก็ไปเพราะเราไม่ต้องไปแต่งกับมันเลยค่ะมันเดี๋ยวมันแวบมันมาอีกแล้วมันมีทุกเรื่องมันทํางานของมันเองตลอดเวลาค่ะดูงั้นละก็ทําพอปฏิบัติแล้วดีขึ้นค่ะมันสงบขึ้นก็สบายขึ้นนะค่ะครฝึกไปเจ็ดสิบสองขอบพระคุณค่ะคนสุดท้ายละกับนัสการหลวงพ่อครับตอนนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ มีความสงสัยในบางเรื่องก็คือจริงๆแล้วที่เราปฏิบัติเนี่ยก็คือต้องการความรู้สึกตัวหรือสติถูกไหมครับก็สติเป็นเครื่องมือสําคัญนะับเบื้องต้นต้องให้รู้สึกตัวก่อนความรู้สึกตัวเนี่ยมีทั้งสติมีทั้งสมาธิถ้าถ้าไม่มีสมาธินะัมีสติบางทีจิตไปจอนิ่งๆอยู่กับลมหายใจถลําลงไปอย่างนี้นั้นเรามีความตั้งมั่นมีใจที่เป็นคนรู้คนดูใจมันตื่นใจมันรู้สึกตัวนะ ตัวนี้มีธรรมะที่ดีหลายตัวสติก็มีสมาธิก็มีเสร็จแล้วพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วไม่อยู่นิ่งๆแค่นี้บางคนพอใจแค่นี้ไม่ได้นะดูกายเขาทางานดูใจเขาทางานไปเรื่อยจะเกิดปัญญาจะเห็นเลยกลายมันก็ทํางานของมันตามหน้าที่ของมันจิตใจก็ทํางานตามหน้าที่ของมันไม่มีตัวเรานะฝึกอย่างนี้เป็นปัญญาแล้วตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยก็คือตอนเช้ากับตอนก่อนนอนเนี่ยจะพยายาม นั่งดูในรูปแบบคือดูลมหายใจเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงดีดแล้วตอนกลางวันเองเนี่ยก็<ๆ>จะพยายามมีความรู้สึกตัวให้หตลอดเท่าที่จะบ่อยได้ดีความรู้สึกตัวที่ว่าเนี่ยก็คือช่วงที่เรารู้สึกตัวเนี่ยก็คือมันจะไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์แล้วมันจะเป็นแค่เซี่ยวแค่แวบเดียว <orc. S 2> อันนั้นนี่คือถูกต้อง ถ, ถูกต้องแล้วปัจจุบันสั้นนิดเดียวนะครับแล้วในขณะที่นั่งดู ด, ดูลมหายใจเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าจิต จะไม่ได้ลงไปนิ่งจะไม่ได้ซึมซึมแต่จะเห็นความคิดเกิดเรื่อยๆเกิดแล้วก็รู้สึกตัวเกิดรู้สึกตัวอย่างเงี้ย น, นะครับใช่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ย ม, มันเกิดได้เองใช่ครับมันทํางานเองมันไม่ใช่เราครับแต่ในความรู้สึกลึ ก, ลกๆเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันยังมีความรู้สึกที่ที่ผิดจากที่หลงพ่อสอนคือว่ามันไปคิดเองว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นสมาธิเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราปฏิบัติได้ไม่ดีพอผมต้องคอยชี้นําว่าจริงๆ กายกับใจเนี่ยไม่ใช่เราไม่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมทำนี่ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะที่คุณทำอยู่ดีเชียวละคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเห็นครับใช้ได้ดคีครับแล้วจะทำยังไงให้เจริญยิ่งขึ้นไปอีกครับอยากาไหม <laughs> <laughs> อยากครับทราบครับว่าอยากนั่นแหละรู้ลองปัจจุบันนะแลดีอย่างความอยากเกิดก็รู้ทันรู้ลองปัจจุบันไม่มีอะไรแนละ้ที่ทาอยู่ถูกเป๊ะเลยสมาธิก็ทาใช่ไหม ปัญญาก็เดินถูกเป๊ะเลยของคุณแล้วบางทีก็ต้องชี้นำมันนะถูกต้องขอบคุณคับผมพ่อน่เอาเชิญกลับบ้าน